วิธีอับพานและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสง์พึงอับพานอย่างนี้คือภิกษุอุทายีนั้นพึงเข้าไปหาสง์ห่มอุตตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษาทั้งหลายนั่งประโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญ กระผมต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกวิสัตถิไม่ได้ปิดไว้กระผมนั้นขอมานัดหราตรีเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัตถิไม่ได้ปิดไว้กับสง์ส่งได้ให้มานัดหราตรีเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกวิสัตถิไม่ได้ปิดไว้แก่กระผม กระผมนั้นประพฤติมานัดแล้วจึงขออับพานกับสงท่านผู้เจริญกระผมต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกวิสัตถิไม่ได้ปิดไว้กระผมนั้นขอมานัดหราตรีเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกวิสัตถิไม่ได้ปิดไว้กับสงสงได้ให้มานัดหราตรีเพื่ออาบัตหนึ่งตัว ชื่อสัญเจตนิกาสุกะวิสัตถิไม่ได้ปิดไว้แก่กระผมกระผมนั้นประพฤติมานัดแล้วจึงขออับพานกับสงแม้ครั้งที่สองท่านผู้เจริญกระผมต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกะวิสัตถิไม่ได้ปิดไว้กระผมนั้นขอมานัดหราตรีเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อ สัญเจตนิกาสุกะวิสัตถิไม่ได้ปิดไว้กับสงสงได้ให้มานัดหกราตรีเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกะวิสัตถิไม่ได้ปิดไว้แก่กระผมกระผมนั้นประพฤตมานัดแล้วจึงขออับพานกับสงแม้ครั้งที่สามภิกษุผู้ฉลาดสามารถ พึงประกาศให้สงทราบด้วยยติจตุธกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุอุทายีนี้ต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกวิสัตถิไม่ได้ปิดไว้ภิกษุอุทายีนั้นขอมานัดหกราตรีเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อ สัญเจตนิกาสุกกวิสัตถิไม่ได้ปิดไว้กับสงสง์ได้ให้มานัดหราตรีเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัตถิไม่ได้ปิดไว้แก่ภิกษุอุทายีภิกษุอุทายีนั้นได้ประพฤติมานัดแล้วขออับพานกับสงถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงอับพานภิกษุอุทายี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 สงได้ให้มานัาดหราตรีเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัตถิไม่ได้ปิดไว้แก่ภิกษุอุทายีภิกษุอุทายีนั้นประพฤติมานัดแล้วขออับพานกับสงสงอับพานภิกษุอุทายีท่านรูปใดเห็นด้วยกับการอัพพานภิกษุอุทายีท่านรูปนั้นพึงนิ่ง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 ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการอับพานภิกษุอุทายีท่านรูปนั้นพึ่งนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึ่งทักท้วงแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุอุทายีนี้ต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อ สัญเจตนิกาสุกะวิส no ัตถิไ wow ม่ได้ปิดไว้ภิกษุอุทายีนั้นขอมานัดหราตรีเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกะวิสัตถิไม่ได้ปิดไว้กับสงสงได้ให้มานัดหกราตรีเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกะวิสัตถิไม่ได้ปิดไว้แก่พิกษุอุทายี ภิกษุอุทายีนั้นประพฤติมานัดแล้วขออับพานกับสงฆ์สงฆ์อับพานภิกษุอุทายีท่านรูปใดเห็นด้วยกับการอับพานภิกษุอุทายีท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงภิกษุอุทายีสงฆ์อับพานแล้วสงฆ์เห็นด้วย เพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพระเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้